กน็นี่แหละนี่แหละว่าเขาก็โวหารคาถาเขาคุยกันแล้วหมอกับผู้ ก, การก็คุยกันเรื่องนี้แล้วคือเรารู้เลยว่าทําไมรู้ไหมคิดมากๆแล้วเศร้าให้ผู้การอธิบายดีกว่าทําไมคิดมากๆแล้วเศร้า พอแล้วคุณไม่ต้องเสนอาาเลยพอแล้วลถ้าไอ้วิธีของคุณเนี่ยนะไปสวนปรุงอย่างเดียวนะไม่ต้องเสนอาาเลยแต่มาเจริญอย่างเงี้กับอื ม, อมใช่ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นผู้การพิจาร์ พิจัยเอามาทําตริญญาดูทําไมเป็นอย่างนั้นนึกอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วทําไมจึงเศร้าก็เพราะว่าเราเราสักกายะเรามันมันหนานนั่นมากเลยมันมันรุนแรงมากมันโดยอุปนิสัยนยมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ก็ผมว่าก็มันเป็นโทสะที่มันเป็นเนคขมนะบอกว่าอย่างน้อยมันอาจจะต้องผ่านจุดนี้นะ คือถ้าถ้าเศร้านะถ้าว่าตรงๆเลยนะถ้าเจริญแล้วเศร้าเจริญแล้วเศร้ามันจะเลิกเจริญ <c oughs> เพราะมันไม่เห็ น, หนอะไรสนุกสักอย่างเลยมันมันยิ่งเจริญยิ่งเศร้าไปหาอะไรที่มันสบายๆทาไม่ดีกว่าหรือเกิด <c oughs> ที่ก็ขอมาถามว่าตอบได้เลยว่าสารณะเราไม่แม่นพูดนะยังไงก็ต้องอันนี้คือจุดยืนเราว่าพระรตนะตรายเราไม่ดีเอาเลย หรือดีก็ดีไม่มากอ่ะนะดีไม่พอจะพ้นทุกอนนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรจึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับเนี่ยนะเป็นที่เคารพเชิดชูทำไมจึงยกย่องชมเชยพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงเพราะอะไรเพราะพระองค์ทำปริญญาในทุกเพราะพระองค์ประหานะสมุทยัยเพราะพระองค์ ทำนิโรธให้แจ้งเพราะพระองค์เจริญมักเนี่ยนะคือคือพื้นฐานเนี่ยไอไอตัวนี้เราอ่อนหรือแข็งก็ดูเอากันแล้วกันอันนะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะทำปริญญาในกองทุกพระองค์ทำปริญญายัางไงทุกก็สูตรตรงๆเลยนะก็อันนี้จังทุกขังกับอนัตตา เมื่อพระ อ, องค์เห็นอนิจออจังโรคงเจงละโทสะพระ อ, องค์เห็นทุกขังพระ อ, องค์จึงละราคะพระ อ, องค์เห็นอนัตตาจึงละโมหะที่ละราคะโทสะโมหะได้เนื่องจากแทงตลอดพระนิพพานด้วยมัคเดี๋ย น, นะมัคอ่ะนะวิปัสนาและมัคเนี่ยนะไปเห็น่ รูป เ, เช่นยกตัวอย่างว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณมักหรือวิปัสนาไปเห็นรูปโดยอนิจจังละโทสะแทงตลอดรูปนิโรธนีนะเจองแทงตลอดรูปนิโรธใช่ั้ยนิพานอีกชื่อหนึ่งเรียกว่ารูปนิโรธวิปัสนาเห็นรูปโดยอนิจจังนะมักเนี่ย อริยมรรคเกิดขึ้นแทงตลอดรูปนิโรธจึงละราคะละโทสะละโมหะได้คือคือการเจริญพุทธคุณตัวเนี้ยต้องแม่นๆม่นมากๆเลยก็อย่างที่ไม่ทราบว่าใครไปสาทยายพวกบทเหล่านี้ได้บ้างไม่ทราบรูปรูปสมู ท, ทยัยรูปนิโรธรูปนิโรทคามินีปฏิปทาเนี่ยนะ ก็เจริญอย่างนี้ก็ได้นะถ้าถ้าจิตมันในระดับสูงไม่ไปจริงๆนะมาคิดเรื่องสารณะก่อนดีกว่านนอืคือต้องเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะเจริญพุทธานุสตินำที่บอกบอกหลายท่านไปแล้วว่าขอนอบน้อมแดบบ่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้กำหนดรู้ทุกผู้ละสมุ ท, ทยัยผู้ทำนิโรธให้แจ้งผู้เจริญ ทุกขา น, นิโรธขา ม, มินีปฏิปทาหรืออริยมรรคก็นอบ น, น้อ ม, อมพระองค์ในฐานะทำปริญญาในทุกขละสมุทัยคือให้จิตของเราดูว่าเราโอนไปแค่ไหนก่อนสังเกตดูสภาพจิตนะทีนี้แล้วถามว่าทุกที่กล่าวนี้คืออะไรบ้างทุกก็คือรูปใช่ไหมขอน้อมน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำปริญญาในรูปผู้ละรูปสมุทัยผู้ทํารูปนิโรธให้แจ้งผู้เจริญ รูปนิโรธค า, ามินีปฏิปทาขอน้อมน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้กำนดรู้หรือผู้ทำปริญญาในเวทนาละเวทนาสมุทัย น, นะแทงตลอดเวทนานิโรธเจริญเวทนานิโรธค า, ามินีปฏิปทาขอน้อมน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำปริญญาในสัญญาละสัญญาสมุทัย เจริญทำให้แจ้งสัญญาณนิโรธเจริญสัญญานิโรธคาไมินีปฏิปทาขอน้อมน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำปริญญาในสังขารละสังขารสมุทัยทำสังขารนิโรธให้แจ้งเจริญสังขารนิโรธคาไมินิปฏิปทาขอน้อมน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้กำหนดรู้หรือทำปริญญาในวิญญาณ ละวิญญาณสมุทยัยทำวิญญาณนิโรธให้แจ้งเจริญวิญญาณนิโรธามินีปฏิปทาซึ่งตรงนี้ถามว่าขอาโทษทีถามจริงๆนะเนี่ยใครเคยเจริญบ้างช่วยช่วยยกมือขึ้นหน่อยจะได้วัดผลได้5้าสิอร์ซหรือเปล่าในห้องยกหนึ่งสองนะอาจารย์มินิเจริญตั้งหนึ่งครั้งคุณอาภาบางครั้งไม่ครู อไม่ได้เจริญแบบพุทธานุสติใช่ไห ม, มเพราะว่าสัตทินสีทัศทินสีเราอ่อนมากๆเลยนะหมอยุพินเจริญบ่อยใช่ไห ม, มคือเราเราเอาใหม่นะคือก่อนหน้านี้ก็บอกให้เจริญแต่ว่าไม่ได้บอกให้เต็มยศตต้องบอกแบบขอนอบน้อมเอาใหม่เจริญอย่างเงี้ยใหม่ละ น, นะ ก็ว่างๆจริงก็นั่งดูพระพุทธรูปก็ได้ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้กําหนดรู้เอานะอายตนะก็ได้จักรโละจักรโคสมูไทยทําจักขโนิโรนให้แจ้งเจริญจักขโคนิโรท่าขา ม, มินีปฏิปทาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้กําหนดรู้โสตะหรือทำปริญญาในโสตะละโสตะสมูไทย ทำโสตานิโรธให้แจ้งเจริญโสตานิโรธคามินีปฏิปทาขอนอบน้อ ม, อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำปริญญาในคานะคือจมูก น, นะนะละคานะสมุ ท, ทยัยทำขานะนิโรธให้แจ้งเจริญคานะนิโรธคามินีปฏิปทาขอนอบน้อ ม, อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ กำนอรู้หรือทำปริญญาในเีวหาละเีวหาสมูทัยทำเชีวหานิโรธให้แจ้งเนีนะเจริญเีวหานิโรธาคามินีปฏิปทาขอน้อมน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ผู้ทำปริญญาในกายละกายะสมูทัยทำให้แจ้งกายะนิโรธเจริญ กายนิโรธาขามินีปฏิปทาขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำปริญญาในมโนละมโนสมุ ท, ทยัยทำมโนโมโนิโรธจริญมโนนิิโรามนีปฏิปทาคุณทุจินลองภาว่าดิเอาสกรอบไปยังดีเอ า, เอาตาหูจมูกลิ่นกายใจเอาไม้ไปด้วยจะได้ น้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำปริญญาในตาตละ ส, สมุทัยทยาเป็นวัฒ ร, รบาลีมค ะ, ะ บ, ะบาลีามทขอขอนอบน้อมแด่ <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำปริญญาในจักษุและผู้ละจักษุสมุ ท, ทยัย ทำจกักขุนิโรธให้แจ้งเจริญจกักขุนิโรธาคามินีปฏิปทาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำปริญญาในโสตและโสตะสมุ ท, ทยัยทำโสตะนิโรทให้แจ้งเจริญโสตะนิโรทคามินีปฏิปทาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทำปริญญาในคานะละคานะสมุทยัยทำคานะนิโรธให้แจ้งจะเริญนคานะนิโรธคาไินีปฏิปทาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำปริญญาในชิวหาละชิวหาสมุทยัยทำชิวหานิโรธให้แจ้งจะเริญชิวหานิโรธคาไินีปฏิปทา ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพู้ยานในกาละกายสมุ ท, ทยัยทำกายะนิโรธให้แจ้งจะเริญกายะนิโรธคามิหนีปฏิปทาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำปริญญาในมโนะละมะโนสมุ ท, ทยัยทำมโนนิโรธให้แจ้ง จะเรินมโนนิโรธาคาปฏิปัปาเออดีเอาขันท่าด้วยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำปริญญาในรูปและรูปสมุทรไทยทำรูปนิโรธาคาม่หนีปฏิปท า, าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำปริญญาในเวทนา ละเวทนาสมททุทัยทมเวทนานิโรธให้แจ้งจะเริญเวทนานิโรธถคามินีปฏิปทาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำปริญญาในสัญญาและสัญญาสมททุทัยทมสัญญานิโรธให้แจ้งจะเริญสัญญาณิโรธถคามินีปฏิปทาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทำปริญญาในสังขารและสังขารสมททุทัยจำให้แจ้งทำสังขารนิโรธให้แจ้งจะเรินสังขารนิโรธาคามินีปฏิปทาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำปริญญาในวิญญาณและวิญญาณสมททุทัยทำให้นิโรธให้แจ้ง จเจริญวิญญานิโรธาคามินีปฏิปทาก็ถ้าใครเนี่ยก็ปีรูปสาตรูปเนี่ยได้หกสิบเลยนะก็ไปลองเจริญแบบนี้ดูถ้าพื้นฐานเราจะได้ตรวจดูว่าสัตทินรีเราดีแค่ไหนด้วยเพราะถ้าสัตทินรีตรงนี้ไม่ดีเนี่ยนะอ น, นิจังทุกขังอนัตตามากๆจะเศร้าเพราะอะไรทำไมรู้ไหม คิดเรื่องเกิดแก่ตายมากๆจะเศร้าใจคือเช่นคิดเรื่องอะไรนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็คือเกิดแก่เจ็บตายโสกาะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเป็นต้นเนี่ยนะผู้ที่เจริญไม่มุ่งประสงค์ละกิเลสจริงๆเนี่ยยิ่งเห็นโทษของขันห้าเท่าไหร่ใจยิ่งหมองลงเท่านั้นมันเหมือนอะไรนะเหมือนกับว่าเข้าไปมีความหวังในขันหเต็มที่ใช่ไ เสรแล้วเห็นโทษของขันห้าถามว่าจะดีใจหรือจะเสียใจเสียใจคอคือต้องคิดแบบนี้นะทำไมอันนี้สมมติว่าเอารูปรูปเนี่ยนะคิดจะเอากับคิดจะออกโดยคิดว่ารูปเนี่ยคือตัวโรคอนนะ หมายความว่าเกี่ยวข้องกับรูปถ้าไปคิดว่าโรคเนี่ยโอ uf, โ้โรคโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นใจจริงๆเนี่ยอยากเอาถ้าเห็นแบบนี้มากๆถามว่าจะเศร้าหรือจะออยังไงคิดอย่างนี้จะเศร้าใจแต่ถ้ า, อ, าอยากถ้าออกได้เป็นความดีถ้าไม่เอาได้เยี่ยมเห็นว่าโรค ตาก็โรคหูก็โรคจมูกก็โรคลิ้นก็โรคใส่ใจอย่างนี้บ่อยๆจะดีใจใช่ไหมจะดีใจเพราะว่าแหมจะได้แล้วใจสักทีจะได้ออกได้สักทีหนึ่งอ่ะ น, นะหรือเหมือนอย่างว่าบางคนเนี่ยนะเขาไม่อยากจะไปบางแห่งอ่นะไม่อยากจะไปบางกิจกรรมอ่ะอะนะอ่ะนะ เคอไม่ไม่อยากจะไปในกิจกรรมนั้นๆเลยอ่ะนะแต่ว่าหาข้ออ้างไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าพื้นฐานอย่างนั้นนะถ้าถ้าได้ข้ออ้างสักหน่อยหนึ่งเนี่ยจะไม่เอาเลยใช่ไหมหรืออีกในหนึ่งนะมีคนมาเสนอสินค้าให้เราอ่ะนะจริ ง, รงๆเราไม่อยากได้สินค้าอันนั้นไม่ต้องการเลยอ่ะนะแตว่าขนมก็แล้วกันอะเค้กนีเค้กเขียนยังไงไม่โทรใช่ไหม สมมติว่าจริงๆอะ่ะไม่ไม่ต้องการจะเอาอะ่ะแต่มีคนมาให้เราเนี่ยนะ้าบอกเราบอกนั่นก็รานี่ก็ใกล้จะเน่านั่นก็บูดเราก็จะได้มีข้ออ้างว่าเราจะไม่เอ า, เอาแต่ถ้าเราอยากเอานะ่นั่นก็รานี่ก็บูดเนี่ยนะมันก็ฝืนใจมากๆเลยนะขันห้าก็เหมือนกันถ้าผู้ใดตั้งอัถยาศัยว่าจะต้อง ทำปริญญาแล้วก็ตัดฉันธราคะจะต้องบรรลุนิโรธให้ได้เจริญมรรคตามที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าใจเขามีอย่างนั้นแนวโน้มอย่างนั้นสูงจริงๆอะ่ะยิ่งเห็นอ น, นิจจังเท่าไหร่จะดีใจยิ่งเห็นว่าทุกขังเท่าไหร่ก็ยิ่งดีใจเห็นอนัตตาเท่าไหร่ก็ดีใจเพราะว่าจะได้บรรลุสักทีหนึ่งอันนะเพราะว่าไอที่ไม่บรรลุทุกวันที่ทุกอยู่ทุกวันก็เพราะว่า เพราะเห็นว่ามันดีอ่ะเพราะเห็นว่ามันมันดีอ่ะเราจึงเราจึงเราจึงติดข้องมากถ้าพอไปบอกว่ามันไม่ดีปับ๊บเราจะเริ่มเศร้าใจแล้วใช่ไหม ส, สกายาบเป็นชื่อของขันท่าการอุปาทานมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช คือตรงเนี้ยถ้าถ้าผู้ที่เรียวแรงน้อยกำลังน้อยทั้งหลายจะต้องมาเจริญว่านี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์พ้นทุกข์อ่ะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนปริญญาสอนเพื่อให้สาวกทำปริญญาสอนเพื่อให้สาวกละจะได้เข้าถึงรูปนิโรธจะได้เข้าถึงทุกขานิโรธเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งเป็นธรรมงามซึ่งเป็นธรรมดีอ่ะนะ การแสดงอริยสัตว์ทั้งสประการเนี่ยเรียกว่าสวากขาโตตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะสวากขาโตเนี่ยนะตรัสไว้ดีจริงๆเลยนะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยสันทิฏฐิโกอาการิโกคือมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นของดีจริงๆเพราะที่เราไม่บรรลุคุณธรรมชั้นสูงโลกุตระธรรมก็เนื่องจากว่าเรา ไปเพลดิดเพลินในวัตถุคือตัวทุกขนะ์นั่นแหละเราเลยไม่บรรลุสักทีหนึงอย่างเงี้ย น, นะมันก็ถ้ามีแนวโน้มโอนอย่างนี้อยู่แล้วนะอันนี้จังทุกขังอนาตาพิจารณาชาติชรามรณะยิ่งยิ่งจะมีความสุขยิ่งคิดเรื่องชาติชรามรณะเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขเท่านั้นแต่ถ้าเรียกว่าลักษณะเข้าไปติดเข้าไปข้องเข้าไปอะไรเต็มที่เลยนะยิ่งเห็นชาติชรามรณะนะยิ่งยิ่งทุก ประเด็นนั้นเอาไว้ก่อนเนี่ยนะต้องการจะให้ให้คิดตามประเด็นนี้มากกว่าคือทํำยังไงเราจะเบนอัธยาศัยอันนี้ให้ให้เป็นไปตามเพราะไหนไหนเราก็บอกพุทธังสารนังคาฉามิอยู่แล้วทำมังสารนังคาฉามิสังคังสารนังคาฉามิซึ่งเราเป็นลักษณะว่าโอนตามพระรัตนตรายทุกเรื่องอ่านะโอนตามจริงๆเลยนะแต่ถ้าโอนตามอย่างนี้จริงๆก็ก็ทําที่สุดแห่งทุกได้นะ่นนะ ซึ่งว่างๆเราก็น่าจะฝึกออรอให้ว่างก่อนนะท ไ, ไมเมื่อไหร่มันจะว่างเลยนะเราเรอเวลาตันหามันว่างคงไม่เค่อยว่างง่ายๆหรอกตันหามันพาไปเรื่อยนะอ่ะคอต้องแบ่งเวลาหรือจะต้องเอามาเจริญตัวนี้ให้ดีๆเลยเนะเช่นอนะขันห้าหรืออายตนะก็ได้เอาขันห้าหรืออายตนะเนี่ยมาเจริญพุทธคุณกับ พุทธคุณรรมาคุณก่อนนะนะให้เห็นชัดก่อนว่าขันห้าอายตนานี้คืออะไรทุกทุกเนี่ยบรรลุด้วยปริญญาเนาีนย่ยนะพระองค์เนี่ยกำหนดรู้ทุกละทุกขสมุทัยทำทุกขนิโรธให้แจ้งเจริญทุกขนิโรธาขามินีปฏิปทาก็เอาตัวนี้มาตั้งแล้วเราก็มาลองสาธยายดู รูปประขันของพระพุทธเจ้าเราต้องนึกเราต้องนึกถึงรูปประขันของพระพุทธเจ้าเช่นถ้าเอารูปนะตอนเนี้ยอนนของพระองค์เหลืออะไรบ้าง<ม>พระบรมสารีริกธาตุเกษาโลมาทันตาและก็อธิเนี่ยนะเกษาโลมาทันตาอธิเนี่ย เ, ย เ, ยเยหลือเหลือสีประการเนี่ยที่เหลือพระเพลิงเผาเรียบมาแล้วรูปประขันเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ทำปริญญาเสร็จแล้ว ตัดชันทราคะในรูปเสร็จแล้วทำรูปนิโรธให้แจ้งแล้วเจริญรูปนิโรทคามมนีปฏิปทาอันนี้รูปนะแต่อมองในแง่รูปแล้วรูปประคันเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาชั้นเยี่ยมใช่ไหมเวทนาเหล่านั้นพระองค์ก็ทำปริญญาแล้วละเวทนาสมุทัยแล้วเจริญทําให้แจ้งเวทนานิโรธแล้วเจริญ เวทนานิโรธาคามินีปฏิปทาก็เอาขันท่าของพระพุทธเจ้ามามาเจริญว่าพระองค์มีปัญญาอย่างนั้นเพราะพุทธะนี่หมายถึงตัวปัญญาปัญญาที่พระองค์ไปทำปริญญาไปละไปกําหนดรู้ไปไปละกําหนดรู้เจริญทําให้แจ้งเลยนะพระองค์ก็ทกํากิจเหล่านี้หรือไม่เราก็มาไล่จักขู่ก็ได้นนจักขู่ของพระพุทธเจ้าทําปริญญาเสร็จแล้วพฉะนั้นพระองค์จักขู่ของพระองค์จึงเป็น จากขูประเภทตายอดด้วนทิ้งจากขูนั้นแล้วไม่ถือเอาจากขูใหม่โซตะของพระองค์ก็เป็นโซตะที่ด้วนด้วนหมายคือว่าทิ้งโสดอันนั้นแล้วไม่ถือเอาโสดอันใหม่ค า, านะของพระองค์อันนั้นก็เป็นคานะที่ด้วนเพราะว่าตาล้วัตถุ ก, กตาใช่เหลือแต่ต่ออย่างเดียวเพราะไม่มีเชื้อที่จะจะงอกอีกเลยนะทั้งลิ้นทั้ง พระกายผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะแม้กระทั่งมโนคือใจพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นเราก็มาลองฝึกเจริญอย่างนี้เพื่อบ่มอะไรบ่มสัตทินรีของเราดูถ้าสัตทินสีดีเนี่ยนะวิริยินรีเป็นต้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาสับเท่าไหร่อันนี้ของเราก็มาพิจารณาอริยศาสตร์แบบว่าเอาเองส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะนะคือเจริญแบบไม่เดินตามนะเจริญแบบ ไปคนเดียวแต่ถ้ามีศรัทธาหรือเห็นคุณของพระรัตนตรยัยเห็นคุณของการทมปริญญาเห็นคุณของการละเห็นคุณของการทานิโรธให้แจ้งเห็นคุณของเจริญอริยมัติซึ่งสวาขาโตเนี่ยนะคือธรรมคุณอันนี้ถ้าเห็นธรรมคุณตรงนี้ดี น, นะทราบซึ่งในธรรมคุณตรงนี้ดีนะ การปฏิบัติของเราจะเป็นไปตามเอง เ, นะเพราะยังไงเราจะต้องปฏิบัติตามนั้นอยู่แล้วถ้าถ้าเห็นคุณจริงๆอันก็ถ้าปัญหาสำคัญส่วนหนึ่งในการทำปริญญาแล้วไม่ค่อยสบายใจเนื่องจากว่าวัตถุประสงค์มันไม่ค่อยชัดเจนตอนที่ที่ทำปริญญาเนี่ยนะวัตถุประสงค์ไม่ค่อยจะชัดเจนสัก สัพเท่าไรใช่ไหมสมมุติว่าไปเห็นเลยโอชาติชารามระมาแล้วนั่นก็ชาติชารามรณะนี่ก็ชาติชารามระโสกกาปริเทวะเป็นต้นเนี่ยนะคิดอย่างนี้กับคนทุกคนเนี่ยนทุกคนตัวนี้มันเป็นเป็นโวหารนะเป็นสมมุติคาถาหรือทุกขันห้าก็ได้อะทุกขันห้าทั้งขันห้าภายในทั้งขันห้าภายนอกเนี่ยนะ คิดอย่างนี้ว่าขันเหล่านั้นคือชาติชรามรณาโศกปริเทวทุกโทมณตและอุปายาตถ้าเข้าใจหลักการอริยสัจจริงๆนะจะดีใจดีใจว่าทำไมเมื่อก่อนเราไม่คิดอย่างนี้นะเมื่อก่อนทำไมเราไม่โคโจรตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำอย่างนี้ทำไมเราไปโคโจรโดยตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสอนอันนะสมมติว่าอ่นนะทุกขันอนนะ พิจารณาในทุกขันทั้งภายในทั้งภายนอกหมูหมากาไกา่เป็นต้นเอามาพิจารณาหมดอ่ะอนะโดยนะว่าวัตถุนั้นคือชาติชาา น, นะนนาชาติชาามรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัส น, นะแล้วก็อุปายาสนี่ อันนี้ว่ารวมๆก็คืออะไรใส่ใจแบบนี้มากๆเรียกว่าเจริญทุกขานุปัสนาปัญญาที่ตามเห็นว่าเป็นทุก์อันนะมรณะอนิจจังน้อยเป็นของน้อยอันนะปริตตะทั้งหลายแหละเป็นต้นเนี่ยนะไม่เที่ยงเนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นต้นพวกนี้ก็คืออนิจจัง แล้วก็ไม่มีผู้ใดมีอำนาจที่แท้จริงในสิ่งนี้เช่นว่างเปล่าศูนย์อนัตตาก็เท่ากับเจริญอะไรอนัตตานุปัสนาอันนี้ก็อนิจจานุปัสนา้อนิจจานุปัสนาเนี่ยนะอนุปัส น, า, น, า, นาเหล่านี้มีนนแก่บุคคลใด บุคคลนั้นเรียกว่าอะไ ร, ระก็อนุปสัสสีอนุปสัสสีทีนี้ถ้ามีกายนำหน้าล่ะเช่นถ้ามีรูปประคันนำหน้า<ใ>นก็เรียกว่า <ใน S 1> กายานุปสัสสีก็คือคนที่เจริญกายานุปัสนาถ้าพิจารณารูปอย่างนี้มากๆนะตามเห็นรูปโดยชาติชรามรณะโสกะ ตัวเข้าเองคือชาติชรามรณะเป็นวัตถุแห่งโศกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปาญาตเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นต้นเนี่ยนะเป็นของที่มีความตายเป็นธรรมดาถ้าตามเห็นอย่างนี้มากๆก็คือการเจริญอนิจจานุปสีถ้าตามเห็นว่าเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์เป็นของน้อยเป็นของนิดอ่เป็นอนัตตาอ่ะนะเป็นของไม่ใช่ตนเนี่ย การใส่ใจอย่างนี้บ่อยๆก็เจริญอนัตตานุปัสสนาถ้าในรูปประขันธ์ก็คือกายานุปัสสีกายานุ ป, ปัสสนาตัวสติปัฏฐานตัวนี้แหละการคิดอย่างนี้แหละวิธีที่จะออกจากรูปประขันธ์มีทางเดียวนะถ้าจะออกจากรูปประขันธ์ก็คือตามเห็นรูปโดยอนิจจังทุกขังและอนัตตาทางเลือกมีอยู่ทางเดียวที่จะออกจากรูปได้อนะไร ก็ต้องตามเห็นรูป้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะออกจากรูปได้อ่นนะถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากจะเบื่อเองมันไม่น่าพภิรมยินดีอะไรเลยอ่นนะก็จะคลายกำหนัดมุ่งจะดับไม่ต้องการสร้างมุ่งจะบริจาคแล้วไม่มีใครเอาหรอกแต่ว่าต้องสละจริงๆอ่นนะถ้าจะออกจากเวทนาจริงๆต้องเจริญอนุปัสนาเจในเวทนาถ้าจะออกจากสัญญาจริงก็ต้องมีอนุปัสนาเจใน สัญญาถ้าจะออกจากสังขารจริงก็ต้องเจริญอนุปัสนาเจ็ดในสังขารถ้าจะออกจากวิญญาณจริงก็ต้องอนุปัสนาเจ็ดในวิญญาณอันทางออกจากขันห้ามีอยู่ทางเดียวทางเนี้ยคืออนุปัสนาทั้งหลายนี่แหละถ้าจะออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงก็ต้องตามเห็นตาเนี่ยโดยอนุปัสนาเจ็ดจึงจะออกจากตาได้นะตามเห็นหูโดยอนุปัสนาเจ็ดจึงจะออกจากหูได้จึงกระทิ้งหูได้เนี่ยนะ ต้องเห็นจมูกลิ้นกายหรือใจโดยอนุปัสนาเจตจึงจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้แต่ว่ากายนี้มันร้อนจริงหรือเปล่าหรือมันเย็นสบายตรงนี้แหละมันยากเพราะพื้นฐานจริงๆถ้าเพราะเราไม่ได้นึกว่ามันมีปัญหาอะไรเลยมันไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยมันก็ดีทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ยนะโอ้ทาอย่างงี้นะวิชานี้จบเลย ฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ปรานั้นในท <c oughs> ่าาแสดงตามปฏิสัมพิธามรักเนี่ยนะปฏิสัมพิธามรักนั้นชี้ชัดโดยลำดับจะเห็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับอริยศัสตร์โดยลำดับจะขึ้นต้นด้วยอะไรนะทุกทุกคืออะไรทุกก็คือรูปเวทนา สัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณอันนิยามของทุกก็คือขันหถ้าอริยสัจนะม า, มาทบทวนของเก่านิดจะได้ตอบหมายได้ทุกทุกขสมุ ท, ทยัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธถ้าคา ม, มินีปฏิปทาถ้ารูปก็เป็นรูปสมุ ท, ทยัยรูปนิโรธ รูปนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะรูปเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรดเวทนานิโรธคาไินีปฏิปทาสัญญาสัญญาสมุทัยสัญญานิโรดสัญญานิโรธคามินีปฏิปฏาาาทา